เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระมหาสิงหวิสุโธแห่งวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าภัยอำเภอรีจังหวัดลำพูนจะได้อ่านหนังสือหลกชิปตายแล้วไปไหนให้ท่านทั้ ง, งหลายฟังเป็นเล่มที่เจ็ดหน้าที่สิบหกพระอาจารย์จันคเวชโก ท่านะระลึกชาติถอยหลังได้ชาติก่อนได้เกิดเป็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีขุนูปมาจายนในวงเล็บจันสิริจันโทมีนามเดิมว่าจันนามสกุลสุภาพษรบิดาชื่อศรอมดาชื่อแก้วมีพี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกันเจดคนตนเองเป็นบุตรคนโตพื้นเพครอบครัวเป็นชาวนาเกิดเมื่อดนันสี่แรมสองค่ำวันศุกร์ปีมะรุมเวลายิบสามนา ตรงกับพศ2398ที่บ้านหนองไหลตบนหนองไหลอเภอเมืองจอุบล ร, ราชธานีได้บทเป็นสำเน็นเมื่อเดือนยี่ปีมารงพศ2411และศึกของมาด้วยเหตุยังเป็นในภายหลังขั้นต่อมาได้เข้าอุปสมบทณวัดสีทองเมื่อเดือนหกขึ้นแปดค่ำปีฉลูพศ2420โดยมีท่านเอวะธรรมี ในวงเล็บเมาส์เป็นพระอุปชาท่านพระอธิการสีโห NO ในวงเล็บวัดใจมงคลเป็นพระเป็นพระกรรมวาจ า, จายัวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้อาพากหนักได้โรคมะเร็งในกระดูกและมรณภาพณภุติเขียววัดบรมในวัดยศเสกกรุงเทพในปีพศสองพรเจ็ห้ารวมสิริอายุเจ็ดเจดปีพรรษาหกสิบสี่พ่อหนวน้อยจอนไวสามขวบ ก, ก็สามารถ เราถึงอดีตชาติของตนได้อย่างเยาะเย้ยครองแคล่วชัดด้อยชั ด, ชดคําไม่มีติดขัดเลยทำความตื่นเต้นแปลประหลาดถึงขั้นอศัศจรรย์พันลึกให้แก็บิดามันดาในชาติปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งที่พ่อหนูจันนั่งเคี้ยวหมากครูอยู่อย่างอร่อยในอารมณ์มั่นเขาลึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อหลายวันมาแล้วขณะที่หนีออกจากบ้านเดินตอแต่ตอแต่ไปเที่ยวเล่นที่ป่าช้านั่นให้ผ่านเดินโคกกว่าไม้แห่งหนึ่ง ในพกเห็นชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่และหนุ่มๆตั้งวงเล่นกันพ น, นันเบีย้ยปกในวงเร็บการชักเบีย้ยเข้ากระบอกแล้วให้ลูกมือแทงกันส่งเสียงเฮฮาคลึกคืนและยังมีการเอาเหล้าเตือนไปจำหน่ายขายกินกันเ ม, มามายอีกด้วยเมามายอีกด้วยทำให้คนห น, นอ่มๆจยนเกิดความรู้สึกสรดสองเว็ใจที่คนละนั่นล้วนโง่เขางงงายอยู่กับอันบายพุกอันเป็นทางแห่งความชิบหาย เราจะต้องไปตัเกเตือนเทสนะธรรมสั่งสอนคนเหล่านั้นให้พวกเขาได้สติรู้จักผิดชอบในขณะที่นักคิดนี้ปัญญาความรอบรู้ในพระไตรปิฎกได้ผูดว่าเพื้นในใจย้ำได้ว่าในอดีตชาติสมัยที่เกิดเป็นหลวงตาจำนั้นได้ค้นคว้าศึกษาอ่านพระไตรปิฎกจนหมดตู้พระคำพิ์มาแล้วหนังสือไทยหนังสือลาวหนังสือขอมก็สามารถอ่านเขียนจําได้รู้ลึกซึ้งอย่างแตกฉานและเคยเป็นพระธรรมกัจจุตนักเทศ ผู้มีชื่อเสียงเรื่องเลือเมื่อลำลึกถึงอดุตชาติได้เจนี้อดีตความจำก็หลั่งไหลามาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วในมโนโทวารวิถีไม่ขาดสายนึกอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้หมดในชั่วขณะ จ, จิตนึกอยากจะรู้เรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาก็รู้ได้ในทันทีถึงเรื่องการเข้าธาตุออกธาตุอันเป็นหัวใจของหลักวิชาพวกฤาษีโยคีที่ตั้งหลักไสยศาสตร์ขึ้นมาในโลกนอกจากนั้นยังรู้กระจ่างถึงเรื่องกสินชาญ และกรรมฐาน40ปองของพุทธศาสนามีความรู้สึกว่าความรู้ทั้งหมดเราเนี่ยติดอยู่ในฝ่ามือทั้งสองของตัวเองซึ่งสามารถจะใช้ได้ทุกเมื่ออย่างนั้นแหละยิ่งล้ำลึกนึกทวนหลังไปถึงอดีตชาติฟังก่อนก็ยิ่งก็ยิ่งได้รู้ได้เห็นอะไรลึกซึ้งกว้างขวางออกป่อยไม่มีขอบเขตโดยนึกจำบุคคลสถานที่ข้าวของได้ตลอดคล้ายกับว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างสดส ด, สดร้อน ขณะที่นึกถึงอดีตยอย่างเพลิดเพลนี้จิตตัวรู้ก็วกกลับมาลงที่ของผีรวัดไรบินุที่จจริญวิ้วในไมลานเป็นภาษามคตสติก็ตื่นตัวขึ้นเต็มที่ว่าเรานี้ยังเป็นพระอยู่นี่นะพอรู้สึกเช่นนี้ก็เกิดอาการขนปองสยองกล้าวจนตัวสั่นสะท้านมีความร้อนร้อนไปทั้งกายและใจอยากหนีออกจากบ้านไปโดยเร็วเพราะบ้านช่องห้องแห้งของบิดามาดาเป็นที่คลุกคลีโม่สูมของคารวัต อันแน่เบื่อหน่ายเราเป็นพระจึงไม่สมควรจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้จึง ล, ลุกขึ้นเดินไปหยิบเชืที่พึ่งก็มาขิดในห้องเปิงมาใส่กระเป๋าแล้วเดินลงจากบันไดไปขณะเดินไปด้นปนานตั้งใจจะไปอยู่ที่วัดแต่ไม่รู้เหตุใดาขากลับพือเดินไปทางโคกเดินฝ่าไม้ที่ชาบ้านว่างงานในฤดูแล้งไปมั่วสูงชุนุลงเล่นกันพ น, นันเบียบกกัน เมื่อไปถึงกันลึคขึ้นในว่าเราได้ตั้งใจว่าตอนแรกนี้นะว่าจะมาตัมเตือนเทพสั่งสอนคนเหล่านี้ให้พวกเขารู้จักว่าการพานันเป็นอันบัญมุตเป็นทางแห่งความฉิบหายไม่ควรจะมาการทํามากันบ้ามากันทําแบบนี้ไม่ควรจะมากันมาบ้าอยู่กับการพานันและกินเล่าโวยาอันเป็นทางแห่งการเสียสติก่อการทะเลาะวิวาสพอเดินไปใกล้จะถึงวงพนันเมียพก ทารได้นั่นก็ดีเสียงใครก็หนึ่งร้องโอ้ยแสดงความเจ็บปวดแกนั้นเจ้าของเสียงร้องก็วิ่งพรวดพราดออกมาจากยองปวกได้ได้ตุน่นใจย้อย้ลงหลังใช้ผู้นั้นเข้าไปปศวะตุกมูงงเขียวหางมหอยกัดเอาจะเป็นเพราะพิงูหรือเพราะความตุกใจปู้ตายเขาเนี่ยก็มไม่รู้ทำให้ชายผู้นั้นล้มหล ง, ล ง, ลงดินอยู่กับพื้นดินร้องควนควา้างหมูขาดหมูกดัดระให้ช่วยดย้วยพวกองค์พนันเบียวปกแจ๊บเฮอรทันทีอากันมาลุ่ร้องดูแลชักถามคนเจ็บก็ เลอะๆเดี๋ยวว่างูเขียวหางไม้ก่อดเดี๋ยวพูดว่างูหอกกัดเลยจบความไม่ได้แน่ชัดว่างูอะไรกัดงูเขียวหางไม้พิษไม่มากก็จริงแต่ถ้ากัดคนที่มีภูมิต้านทานน้อยโดนกัดเข่าก็ตายหรือถ้ายิ่งเป็ น, ง, ปนงูหอกกัดแล้วพอจะตายแน่ๆไม่มีทางรอดนอกจากจะรีบหาคนเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองชาวบ้านใบอาวุโสคนหนึ่งพูดขึ้นระดทําำให้คนอื่นๆประการพูดกันอื่นๆว่าจะหาคนเจ็บไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ดีหรือว่าจะหันไปหาหม อ, อยากลางบ้าในให้รักษาดีขณะที่ชาว บ, บ้านตกอย่างกันยังไม่ตกลงนี้พ่อหนูน้อยจารลอยสามขวบยืนฟางความอยู่และเห็นเหตุการณ์โดยตลอดความรู้สึกของพ่อหนูน้อยจณะ น, น, นั้นเป็นความรู้สึกสำนึกตนว่าตนเป็นพระภิกษุเต็มตัวไม่ใช่เด็กทารกวัยสามขวบแต่อย่างใดผ่านคาถาถอนพิษมูขวบดว่าพื้นเอใจว่าในอดีตชาติสมัยที่ตนเป็นพระกรมตาจานันต้องเที่ยวสแสวงวิเวกนั่น เคยใช้กาถาถอนพิษหมูเหา่าและหมูพิษต่างๆให้ชาวบ้านป่าจนหายเป็นปกติรอดชีวิตมาแล้วหลายๆดัง น, นั้นพ่อหนุ่มน้อยจนันจึงเดินเข้าไปแล้วบอกคนเหล่า น, นั้นว่าค่อยจะป่อให้เดี๋ยวก็หายบดได้ดอกเสียงพุทธเจ้าเจ้าของธารกหัวท่อกําปั้นไว้สามกวบที่สบแชกเข้ามาทําให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่เร้่มองเป็นตาเดียวเดีย๋ยวก็หัเราะเอหาบางคนก็ตะหวัดว่าบอกคำน้อยทะลึง่งไป ถ้า่มาืมหมักเนี่คนตูกงูพิษกัดจะเป็นจะตายมันยังมาทําเป็นพูดเล่นเหมือนเล่ น, ลนดินเล่นทรายขายหม้อข่าวหม้อแกงอยูอย่เลยเด็กไปซะเด็กไปอย่ามาเกะกะทางผู้ใหญ่นะเพราะหนูน้อยยันชักศุนที่ผู้ใหญ่หาว่าเป็นเด็กเพราะความรู้สึกนั่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและยังเป็นพระอีกด้วยจริงๆว่าค่อยพูดจริงๆนะค่อยมีคาถาเปลาถอนพิษหนูได้ผู้ใหญ่หัวเราะกันดิคลืน่นดีสนุก้รเดียมสารวัยสามขวบพูดจาฉะฉานแก่แดดขึ้นตัวเคยคนหนึ่งร้องถามว่า มึงเปลี่ยนก็ถาปอพิทูมาจากไหนว่าอบอกคำน้อยเรียนมาจากพระพอหนูน้อาจารย์ตอบไปตามตรงมาถึงพระอาจารย์องค์หนึ่งในอดีตชาติพระที่ไหนชาว บ, บ้านชับความบอกไม่ได้เด็กชายอาจารย์ตอบเบียงเลี่าวค่อยปอถอนพิทงูได้เขาเรียกไชาว บ, บ้านอีกคนกู้ขึ้นอย่างลำคัญไม่พอใจว่าอย่ามัวไปพูดเล่นอยู่กับเด็กวันดืนอยู่เลยคนุูกมูกัดจะตายอยู่แล้ ว, ออลวพอเราได้ยื่นคดีปัญหามันไปไ ป, ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเร็วเขาเถอะผู้ใหญ่อีกคนร้องปากคุยว่า เด็กน้อยคนนี้เป็นลูกนางกวนมันมีอะไรแปลกๆอยู่ไม่เหมือนเด็กชาวบ้านทัวไปพราะแม่มันรบว่าเด็กน้อยเนี่ยนอนบนบ้านไม่ได้นอนแล้วดิ้นทุรนทุรายร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมร้องขวันคางมันร้องขอลงไปนอนที่แก่ไม่ค่อยใต้ต้นไม้หน้าบ้านทุกคืนจึงนอนหลับได้บางคืนมันชอบหลกไปนอนในป่าช้าคนเดียวหรือไม่ก็เดินรอบๆหมู่บ้านทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเดินไปสวดมนต์ไ ป, ไปคุปมความคุมความไปเหมือนคนบ้า ก็สงสัยว่าเด็กคนนี้นะมันจะมีอะไรอะไรดีอยู่นะลองให้มันปอกดูสักหน่อยสิผู้ใหญ่หลายคนในที่นั้นรู้สึกทึ่งจริงสนับสนุนให้เด็กชายดันเป่าแผลมูกัดลองดูปรากฏว่าเมื่อห่อหนูน้อยจาย์เป่าลมปากออกเปิดปวดปวดสามครั้งนั่นนั่นคนถูกมูพิษกัดก็หยุดร้อง ค, นครนรังเพราะหายปวดเป็นติดทิง้งสามารถลุกขึ้นนั่งได้หน้าตาสดชื่นเหมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเอาผู้ใหญ่ทุกคนในที่นั้นประหลาดใจไปตามๆกัน หลายคนได้ซักถามถึงคาถาบอกพิ่นุว่าว่าอย่างไรบ้างทำไมถึงได้ผังเป็นมหสัสจ ร, ร, รักรทันใจเห็นเช่นนี้พ่อหนุน่มน้อยเจนก็บอกว่าถ้าใครอยากจะเรียนเอาคาถาวิเศษนี้ก็จะสอนให้แต่จะต้องมีพิธีให้ถูกต้องคือนุ่งขาวหงษขาวรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนจึงจะเจรียนคาถานี้ขึ้นหรือขลังมีคนหนึ่งมีนิสัยพานได้ร้องกันว่ากูไม่เชื่อบอกน้อยคนนี่มั น, นแก่แดดเกินไว้ที่จะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษแบบผีบ้าผีบุญมาเกิด ที่มันเป่าคนเียบหายนี่นะปูว่าฟุกมากกว่าแล้วงูก็งูพิษไม่ได้กัดหรอกนะมันไปเหยียบเอาขอนไม่มีหนังเข้าแล้วถูกหนาังดำเอาเรียกว่าเป็นงูเห่ากัดเพราะความผิดขัดตาลายไปนั่นเองเอกชายจันชักฉุนที่ถูกขัดกอจึงสะบัดหน้าเนนดินหนีบไปดื่มฟ้ามตั้งใจที่จะเทศสั่งสอนคนละนั่นไม่เห็นโทษของอบมุก ค, คือการเล่นงานพลันการดื่มเหล้าเมายาอันรอนเป็นทางแห่งความผิดหมายทางนั้าน พระอาจารย์จยันเข้าเปสะโกลแล้เราถึงชีวิตของท่านในวัยเด็กตอนนี้ว่าชีวิตของอาตมาอะมันแปลกไปกประหลาดจริงๆผู้แล้วมันน่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วเมื่อการเวลาผ่านมานานปีจนถึงปัจจุบนันนี้ทำให้อาตมาได้ข้อคิดในเรื่องชีวิตของคนเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้ท่องเห็นถึงอดีตสิ่งที่เกิดในอดีตทําให้มาปรากฏขึ้นในปัจจุบนันสิ่งที่มีในปัจจุบันย่อมมาจากอดีตทางนั้นผู้ที่ละอดีต ละละปัจจุบันได้แล้วสร้างความรู้อยู่แห่งธาตุความเป็นต่อความเป็นอยู่และเทรู้ดออยู่ดอคําว่าจิตความนึกคิดทั้งปวงทั้งหลายเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องแห่งกระแสอารมณ์นานย่อมมีเด็พระอาเยเจ้าเท่านั้นอ้าอ่านอีกทีนะอาจชะชาเนาะเลยะผู้นี้ละอดีตและละปัจจุบันได้แล้วสร้างความรู้อยู่แห่งธาตุความเป็นต่อความเป็นอยู่และเทรู้อยู่ดอคําว่าจิตความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งกระแสะอารมณ์นั้นย่มีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นตอนที่อาตมาอยู่ได้สามขวบแล้วใจมันนุ่มยังไปทางพระยิ่งขึ้นหนุวัดปกติบัดเด็กมันนอกในวัยนั้นเวลาพูดกับผู้ใหญ่เขใช้คาำตำหนามแทนตัวว่าค่อยอย่างนั้นข้อยอย่างนี้เพราะว่าค่อยเป็นความสุภาพนอบ น, น้อมหมายถึงกระผมหรือผมนั่นแหละแต่ที่นี้บางทีอาตมาก็เกคยไปนึกว่าตัวเองยังเป็นพระหลวงตาจังในชาติก่อนอยู่ไม่ใช่เด็กชายจนในชาตินี้ดังนั้นเวลา พูดกับใครจึงเผยใช้ความแทนตัวอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้ก็เลยถูกผู้ใหญ่ดูเอว่าเองยังเป็นเด็กยังไม่ได้บวชเป็นพระอยพูดความแท่นตัวอาตมาไม่ได้อย่าเอาคำพูดพระมาพูดเลยนนะบาปจะเน่าบาปจะกินหัวตายไปตกนรกเมื่อถูกผู้ใหญ่ดูอาตมาก็ได้สติว่าเออเราผิดไปแล้วที่ยังออดีตชาติมาเป็นชาติปัจจุบันมันเป็นผลเรื่องของระัชีวิตอดีตชาติเป็นเรื่องดับไปแล้วสูนสลายไปแล้วเหมือนดังหมอกขาวเย็นขึ้นปกครองหอหุ้มหุเขาอาญางาฬูหนาว พอสายสายทุกแสงแดดขับไปไม่มีเหลือแต่น่าแหละสัญญาความจรในอดิตชาติมันยังแจ่มใสยอยู่เหมือนเด็ดการเพื่องผ่านไปสดๆดร้อนร้อนอนั่นนัิ่งเผยพูดใช้คำแทนตัวว่าอัตมาอัตมาอยู่เสมอชีวิตในวัยสามขวบมันตื่นตัวอย่างแรงเหมือนคนเราตื่นจากหลับแล้วอยากจะไปไหนมาไหนนั่นแหละอัตมาเห็นชีวิตในบ้านเรือนหน้าเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ในบ้านในเรือนเลยกลางวันอยู่บ้านๆๆไม่ได้มันร้อนรุ่มไปรุ่มร้อนไปทําตายทั้งใจต้องหนี้าไปอยู่ในป่าเดียว และจุดเทียนนั่งเพ่งอยู่คนเดียวนั่งเพ่งเทียนอยู่ในที่สงัดีเลยแคนันทำให้รู้สึกสบายใจมากมีความชุ่มชื่นอย่างเย็นยังบอกไม่ถูกจิตไม่นึกคิดอะไรเลยมารู้สึกปร่งลงล่งๆนะปร่งขาวไปหมดดูว่างๆเหมันต้องฟ้าหาขอบเขตไม่ได้ถ้าพูดตามภาษาของพระธรรมเขเรียกว่ามีความสงัดกายหรือกายยวิเวกและมีความสงบจิตคือจิตวิเวกวยการเพ่งไฟเทียนอจัดเป็นเตโชกสินในองค์สมถะภาวนา ซึ่งมันเป็นไปเองโดยอุปนิสัยความเสพพูนเกยชินเนื่องมาจากชาติก่อนสมัยเป็นหลวงตาจันที่เคยท่องเที่ยววิเวทกรรมฐานในป่าเขาลำาเนาไปมามากนั่นแหละขณะนั่งมองจ้องยานอยู่นั่นคล้ายมีคนมาคอยควบคุมอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครและพอเทียนหลับไปก็จะเกิดยานรู้แปลกๆบางวันก็อยู่ในป่าจนขมื่นเพราะไม่ได้อยู่ในป่าแต่ลำพังพูดเดียวแล้วจีจอยเบิกบานของแพล่ด้วยความรักความชอบใจต้นไม้บหญ้าวิหกนกร้องที่ปรากฏอยู่รอบด้าน บางวันก็เดินกลับบ้านเองบางวันพ่อแม่ญาตพี่น้องมาติดตามออกมาครูร้องเรียหาการโบกไปโบกไปในป่าช้าบ้างในป่าใกล้ๆบ้านบ้างพาะเขาัวดจะมาซึ่งยังเป็นเด็กวัยสามขวกจะหลงป่าจะถูกผีป่าผีดงหรือสัตว์ร้ายทำรายเอาพวกผู้ใหญ่ที่มาดาหาก็ดุด่าต่างๆนานาห้ามปรตมาไา่ให้ผู้พิชญนี่ก็ทำความหลาบใหลให้พ่อแม่ญาตพี่น้องที่พ่อของใหญ่แต่ถ้าอยากจะบวชเรียนจริงๆก็ขอให้เรารอให้โตเช่นก่อน มากลับมาบ้านเมื่อค่ำแล้วอาตมานอนบนบ้านไม่หลับหลอกนะมันรุ่มร้อนไปทั้งกายใจมา น, นอนอยู่ในเตาอบร้อนอย่างนั้นแหละพอพ่อแม่ญาพี่น้องนอนหลับกันหมดแล้วอาตมาก็เด็แอบย่องลงมาจากบ้านมานอนข้างหลังที่แปร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านแล้วค่อยคลายความรุ่มร้อนลงไปไล่ถึหลับไปได้ชอบฝันแปลกๆนะฝันซ้ำซ้ำซากๆสุขคืนทุกคืนเช่นฝันไปในห้องไปในท้องฟ้าบ้างฝันได้ต่อสู้อุตรดุจะไม่รู้ว่าสู้ต่อสู้กับใคร บางคืนฝันมาเป็นพระอลังเทพนะบาคืนฝันมาได้คาถาอาคมวิเศษเนี่ยในกลางวันละมาไม่ชอบเขอร่วมวงเล่นกับพวกเด็กด้ยวดยกันเพราะรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นอะละมาจึงชอบเข้าไปคุกคีกับพวกผู้ใหญ่ขอหมักครูเขามาเคี่ยวตรงๆเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นก็เราเรื่องธรรมะเรื่องช้าดกสนุกสนุกนะเรื่องในพระไตรปิฎกให้ผู้ใหญ่ความเป็นการสอนธรรมะในตัวพวกผู้ใหญ่ก็ประหลาดใจที่ละมาอย่างเด็กไว้แค่3าวกสามารถรอบรู้พูดจ้อเรื่องธรรมะสูงๆได้ คนก็ เ, เล่าลือกันไปหลายหมู่บ้านอาตมาก็ยิ่งเทพเรื่องธรรมะให้ใคายคลๆฟังมากขึ้นคนก็ยิงมีพากษ์วิจารณ์กันไปบ้างเพราะว่าอาตมาเป็นดุถูกผีเข้าเจ้าสิงให้พูดพลางเรื่องศาสนาบางคนก็อาตมาเป็นเด็กประสาทเพี้ยนสติฟเฟื่องเกินวอยบางคนก็อาตมาเป็นผุดผีปีศาจแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องและคนส่วนใหญ่ก็วอาตมาเป็นพระนักบุญผู้คงแก่เทียนมาเกิดบางวันขณะจุดเทียนนัําเพ่งอยู่ในป่าคนเดียวจะมีลมพัดมาในหมู่ไม้ตลกฟุ้งเป็นกลิ่นหอมไปทั้งป่าหอมยิ่งกว่า สิ่งหอมใดใดประดามีในโลกที่พเหล่านี้อาตมาก็ไลยเด็ก แ, แปลกใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนาะมันไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้แล้วก็ไม่เหมือนกลิ่นน้ำอบน้ำหอมเพราะมันหอมพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะอัศจรรย์หลือหลายเสียงเล่าเรืออ่องอาตมาซึ่งเป็นเด็กประหาดวายสังกัวคงจะเล่าเรือกันไปกว้างไกลอาตมาก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาขอทดลองให้อาตมารักษาให้อาตมาก็รักษาให้โดวยวิธีเป่าพ่นน้ำมนต์น้ำหมากคาถาที่ใช้เป่าแก่โรคนั้นมันเกิดขึ้นในใจเองเมืใช้แล้วคาถานั้นก็หายไปจำไม่ได้แต่ว่าเวลาจะใช่นะ นึกได้กลับมาอีกคือนึกปุขึ้นมาได้นะแปลกมากผลการรักษาดรวยวิธีเป่ามวลเนี่ยปรากฏว่าหายทุกรายเช่นแข้งขาหักก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายที่สามารถรักษาชาวบ้านให้หายจะโรคฟอยไข่เจ็บเนี่ยจะมามีความเป็นในตอนมันโตเป็นผู้ใหญ่ได้บทเรียนอะไรว่าเป็นเพราะโรคฟอยทิ่นั่นไม่มีอํานาจอยูเหนือท่าทั้งสี่ดีน้ำลมฟอยที่โคดยนสมดุลกานในร่างกายประการที่สองเป็นเพราะบุญตรรของคนเจ็บไข้ยยังแข็งอยู่คือยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะหมดสิ้นอายุขัยประการที่3เป็นเพราะในอดีตชาติบางก่อนโน่น คนเจ็บและอาตมาเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือเรื่กละกันมาแล้วอย่างดียิ่งหรืออาจจะเคยกระทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาร่วมกันมาในสำนักศาสนาเป็นกิจยารมิตรในทางธรรมต่อการละกันจึงทําให้อาตมาสามารถรักษาเขาให้หายได้แต่ถ้าฉาติบางก่อนไม่เคยสงเคราะห์กันหรือไม่เคยมารเป็นธรรมร่วมกันมาก่อนจจะรักษาไม่หายเลยจะเรียกว่าบารมีไม่ถึงถึงการละกัน ก, ก็ได้เรื่องนี้อาตมาเขาฝากให้คุณโยมเอาไปไว้เป็นข้อสังเกตด้วยจะเห็นว่าวรนดาผู้วิเศษทางเศรษฐศาสตร์ก็ดีผู้วิเศษทางทรงเจ้าเข้าผีก็ดี และผู้วิเศษตั้กระสินอัิญญาพอดีจะสามารถใช้พลังจิตฤทธิ์เด็ดได้รักษาคนเจ็บค่อยให้หายได้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่อาตมากล่าวไว้นี่แหละดังมีพุทธภาษิ์บทหนึ่งว่านัตถิวิชาสมังวิตังนัจเวริสมโมทิปุนัจยาตะสมังเปมังนัจยากรรมะสมังพลังชอบเสมอด้วยวิชาไม่มีฆ่าสึกเสมอโดยพยาธิไม่มีความรักเสมอด้วยตนไม่มีกำลังแรงเสมอโดยแรงกรรมไม่มี เมื่ออายุได้แปดขอบชีวิตของอาตมาจากวัยสัมขวบได้เติบโตเจริญ ข, ขึ้นตามวัยเวลาฤดูการที่ผ่านไปนิสายใจขอขอขคอฝึกฝ่ายทางวัฒนธรรมก็ยิ่งมีมากขึ้นพูดเทศนาธรรมมากขึ้นจนชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอายุได้แปดกวบพกะเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งใจจริงแล้วไม่อยากจะเรียนเลยพราะถึงมาเรียนก็สามรารถอ่านออกียได้อยู่แล้วทั้งตัวหนังสือไทยหนังสือลาวหนังสือของเรื่องหนังสือเนี่ยธรรมารู่หมดวิทยกรบาลีมคตยิ่งรู้ดีที่สุด ดังนั้นเมื่ออา ต, ตมาเข้าโรงเรียนประชบบาบาลได้ประมาณครึ่งเดือนก็ราอเพราะไม่รู้จะเรียนไปทหไอในว่าอา ต, ตมารู้หนังสือชอบกับครูผู้สอนอยู่แล้วความรู้นี้มันติดตัวมาตัง้งแต่ชาติาก่อนตอนอายุแปดปอนนี้นนอา ต, ตมายิ่งมีจิตใจร้อนรุ่มเบื่อหน่ายชีวิตภายในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งมีความเบื่อหน่ายในภายในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมานั่งตามใต้ต้นไม้พอเข้าโรงต้องเดินรอบหมู่บ้านอย่างน้อย2รอบเพียงจะกลับเข้ามาที่บ้านของตนหมู่บ้านนี้มีประมาณ500หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ บ่ายคืนก็เดินอยู่ในป่าช้าหลายชั่วโมงเพราะไม่ห่วงนอนได้เดินไปในป่าชา้าการข้ามกลางคืนละโอ้ยสบายใจสบายใจมากกลางคืนจิตใจมันร่าเริงบันเทิงสุขเรื่องความทุกข์ความกระตือรือ น, นพ้นไปไกลแล้วจากบ้านเรือนสุงชนและจากโลกนี้คุณโยม อ, อาจจะสงสัยว่าเป็นเด็กเล็กอย่างนั้นออกไปเดินเที่ยววนเวียนอยู่ในป่าชา้าผีดิบข้าคืนหนึกดด่นอาตมาไม่กลัวผีหรืออย่างไรอาตมาขอตรบว่าความกล้าหาญก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีมันเป็นความรู้สึกที่เห็นป่าชา้าผีดิบเป็นของธรรมดา คนตายก็เป็นเรื่องธรรมดามันตายไปแล้วก็เป็นผีคำว่าผีในพรทศาสนาหมายถึงเปรตและสุรกายซึ่งอาตมาในวายเดชก็เห็นอีกว่าเป็นเรื่องธรรมดามันตายแล้วก็ต้องเป็นผีถ้าไม่เป็นผีก็ต้องไปสูงกว่านั้นคือเทวดาถ้าว่าผีหรือเทวดาก็เป็นผู้มีชีวิตจิตใจเหมือนเราทําไมต้องไปถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดและต้องกลัวโดยเล่าอาตมาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจก็สบายนะไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดซ้ายคิดขวาไม่คิดบนไี่ต่างนะข้างบนข้างหลังไม่คิด จิตมันหมดกังวลมีแต่ความผ่องแผ่นะมีแต่ความสุขถ้าไม่กลัวผีในความมืดแล้วไม่กลัวสัตว์ ร, ร้ายเช่นงูงเงี้ยวเคียวขอบางลิกอันตมาเขาบอกว่าจิตใจของอานตมาตั้งแต่วัยสามกเป็นโดนมาแล้วเห็นสัตว์ทุกชนิดแล้วเกิดความรักสงสารเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวมีความรู้สึกเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดและเห็นว่าในเมื่อสัตว์ทุกชนิดก็มีความรู้สึกสุขและทุกข์เหมือนกับคนเราฉะนั้นเรากับสัตว์จึงมีสาภาพเส ม, มอเหมือนการอานตมาเคยยกมือไหว้ผงอีแรงนะจะมนมานลูกกินซาบคว อาตมาขอตอบว่าก็เห็นนกแรงเป็นนกที่เป็นสัตว์นักบุญนะนะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตของสัตว์อื่นกินเป็นผักส า, ารอีแรงหรือนกแรงอาจจะกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นและยังไม่ชอบเหียดยันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยมันสามารถบินได้สูงเหนือเมฆเก่งเหมือนเซียนเห ย, ย, ยียบเมฆในเรื่องกินและนอกจากนั้นอีแรงยังสายตาไกลนะบินสูงเหนือเมฆสามารถมองเห็นซากสัตว์ตาได้ในะยะไกลได้ถึงร้อยไมนะ้น่าโอ้น่าอาศัศจรรย์ในเมือ่ออาตมามีนิสัยรักสัตว์ทุ ตรงที่วัดสัตว์ทุกชนิดเป็นมิตรกับอาตมาอำนาจความกลัวจึงไม่มีถ้าสัตว์เอานอนานาจทำร้ายกันเองให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำร้ายมนุษย์ให้ได้รับบาดเจ็บอาตมาก็ามั่นใจในตัวเองว่ามีวิชาคงพิเศษสามารถสามารถรักษาให้หายได้สรุปแล้วจิตของอาตมาเชื่อมั่นว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเองมีอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกคือในวัยแดขวบเนี่ยอาตมามีใจรับฝักไฟในทางมาโหรีดนตรีพื้นบ้านของอีสานทุกชนิดระนาดคล้องวงแคนพินซึงซออู่ซอด้วงซอสางสาย คุย ป, ปีนอกปีนอ่ะจะมาเล่นดนตรีเหล่านี้ได้หมดเป็นเองนะโดยไม่ต้องมีใครสอนและยังชอบแต่งกลอนนะแต่งกลอนหมอลำอีกด้วยลำเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลำกลอนยาวกลอนเดินดมกลอนหล่งโค้งลำหูไทยลำเพลินเนี่ยคิดคิดดูก็แปลกมากในขณะที่คิดว่าจะมาเป็นพระ ด, ด้วจิตใจตัวหนึ่งกลับไปชอบเพลงหมอลำหมอแคนและมาโอรีดนตรีมันออกเจะขาดขาดการชอบกลนี่ว่าเป็นพระครึ่งเป็นคราวาครึ่งก็คงจะเป็นได้นะคงจะเป็นอัน หลังจากออกจากโรงเรียนเนี่ยไม่นานก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตภายในบ้านเรือนจนทนไม่ไหวที่ได้หนีออกจากบ้านไปอยู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างจกหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรโดยฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระโอภารรมายานซึ่งท่านก็ได้รับประ ว, ว้วยความเม็ต่างภาหลังจากได้สอบสวนซับซ้อนหลายเรียนรูจนมีที่พอใจแล้วเห็นว่าตมาภาพเด็กชายจันเนี่ยนะมีกียรติมารยาทรู้จักเหมาะคลานเข้าหาพระสองฆ์องค์เจ้าแล้วนั่งกระยงกราบด้วยองค์หเป็นจังขับฤทธิ์อย่างนอบน้อม แม่เดีย์อุปนิสัยก็ดูจะมีความน้เอียงไปทางพระศา ส, สนาสมกับอาจาที่ตอบโต้ละมุนละม่อมตัดฉนานเจ้าคุณอยู่เมื่ออาจารย์ได้เข้ามาเป็นจิตว่าแล้วก็มีความปรับปุ้มเบอใจเบอกายนี่สามารถสละความห่วงความอะไรในย้าเรือนมาเสียดได้แล้วคือเกิดความรู้สึกคล้ายกับว่าตนได้บทเป็นสมเด็จแล้วอย่างนั่นแหละแต่ความจริงมีฐานะเป็นเพียงลูกศิษย์พระหรือกับยัการกทั้นเองมันได้เป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระโอภาษธรรมยานแล้วอาจารยก็ต้องใจจิตบัดน รับใช้พระเนรในวัดด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดเพราะถือว่าการได้รับใช้พระเนรนั้นเป็นบุญมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้นึกถึงเรื่องนี้กันเลยอัตมาทําทุกอย่างด้วยอารมณ์เบิกบานเห็นเป็นของสนุกสนานเช่นกวาดถูขัดพื้นกุฏิสลาก็ทําด้วยความปลื้มใจในอนิสงส์ที่ได้ทําดังนั้นจึงจึงตั้งใจทําอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนเวลาตัวเองอาบน้ําสําหรับร่างกายอย่างนั้นแหละงานอื่นๆในวัดอัตมาก็ทําด้วยความเบิกบานใจในบุญที่ได้ทําเรื่องความเกลียดแค้นไม่เคยคิด เนื่องจากเพราะตามทุกสิ่งทุกอย่างจะได้บุญกุศลนั่นเองทําให้อดัมมาเป็นเด็กวัดที่ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากพระเนรวัดเป็นอย่างดีคืนหนึ่งอดัมมาฝันไปว่ามีผู้หญิงสาวสองคนสวยงามมากแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนางพญาสมัยโบราณอย่างที่เคยเห็นเป็นรูปว า, ตาดตามพระนางบทแต่ทว่าสวยงามกว่ารูปวาดนางยิ่งนักดวงหน้างามละมุนอ่อนหวานเป็นรูปไข่งามผิวพรั่ยิ่งกว่าผิวของงาช้างเส้นผมยาวสลางเหมือนเมฆดำแห่งกลางคืน ประดับด้วยมงกุฎเป็นดาวสุกไซเป็นความงามผุดของประสาทมุนหินพัฒนาพรังเรื่องทรงนั่งสีขาวทรงแสงสกาวเหมือนฟ้าแหลกอยู่แปดแปบขณะเคลื่อนไหวกายนะมีแสงกระจายออกจากดวงมณีบนยอดมองกุฎดูคล้ายเป็นดาวดวงเล็กๆร่วงลงมาจากท้องฟ้าหน้าอาัศจรรย์านางผู้มีความสวยงามเหนือมนุษย์ในเอ่อยเอื่อนว่าจะออกจากเร่ยงฟิ ป, ปะงามเหมือนเก้วประกานความเราะหวานยิ่งกว่าเสียงนกโหงุ่ดก่อนพวกายทํา เราได้เฝ้าตามรักษาท่านมาเป็นเวลาเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วต่อไปท่านจะหมดนี่จะได้ร่วมก่อสร้างบา ร, รมีต่อไปชิ่นเสียงกล่าวของนางเทพธิดาภาพของนางทั้งสองก็หายวับไปอาตมาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมีความรู้สึกปิติอิ่มใจมากมายตั้งแต่นั้นมาจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสถิติปัญญาว่องไวขึ้นเข้าใจอะไรอะไรได้ง่ายและดื่มด่ำลึกซึ้งพิธรันดาเช่นได้ยินเสียงพักสวดมนต์ก็บังเกิดอาการสะอื้นตื้นจัจในหัวใจ น้ำตาเอื่ยลอยด้วยความปิติปราโมทย์ในพระพุทธคุณพระนามะคุณพระสังฆคุณจิตใจเนี่ยราบทางสงบวิเวกอยู่แล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาใ น, ในวาระนั้นถ้ามองไปเห็นผู้คนในขณะนั้นก็จะเห็นแต่ร่างโครงกระดูกขาวโปนไม่รู้ว่าเนื้อหนังมังสา ข, ของเขาหายไปหน่อยมองไปเห็นสุนักและฝูงไก่ที่หากินอยู่ในวัดก็เป็นเห็นเป็นร่างโครงกระดูกไปหมดอันนี้เกิดจากจิตมันแน่วแน่งคมกลิบเจาะลึกเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ถ้าจะพูดกันแบบวิชาการก็เรียกว่า พลังจิตอานาจจิตที่เกิดจากสมาธิทําให้เห็นบอยอย่างนั้นแต่ธรรมาสมองแกจะเรียก ว, ว่าพระอรรมดานอาจจะมาเห็นทางที่จะไปสู่อุตตธรรมอย่างแท้จริงแน่นอนนั่เอง <c oughs> อการอ่านหนังสือเรื่อง <c oughs> ลงตราตันก็จบวักลงไปแล้วก็ขอรัตนาคุณพระคุณเทพคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท, ทั้งชั้นเจ้ากบาลจงดลบรนดาะทานพรให้ดันผู้วางที่รักทุกท่านยงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล สมบูๆๆรณ์คูนผลไปตลอดระดับเท้าขอสุขสันต์ผานโดยเถิดขอเจริญพร